พระอนุบัญญัติหกอันนึ่งภิกษุีใดไปสู่และแวกหมู่บ้านรูปเดียวข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวออกไปอยู่ภาคแรมในราตรีรูปเดียวหรือปลีกตัวจากคณะอยู่รูปเดียวแม้พิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปฐมมาปฏิกะนิสรณียะเรื่องพิกษุณีหลายรูปจบ